วิปัสสนานั้นเป็นการเจริญตามเห็นอาทีนวะของกายถ้าผู้ที่เจริญวะะัะเนี่ยนะผู้ที่เจริญวะตะตามเห็นอัสาธะในกายผู้ที่พิจารณาเพื่อออกจากวัตะตามเห็นอาทีนวะของกายผา้รหั์บางท่านท่านบอกว่าท่านเบื่อหน่ายในการดูแลร่างกายจริงๆมันเป็นเหมือนกับภาชนะรั่วเดี๋ยวก็มีไหลเข้าไหลออกไหลเข้าไหลออกอะนะไหล เข้าทวารไหนบ้างเดี๋ยวก็ไหลออกไปกี่ทวารมีอยู่สูตรหนึ่งชื่อว่าคันดะสูตรคันดะคันดะโตก็แปลว่าฝีสูตรที่ว่าด้วยฝีเหมือนอย่างว่าฝีที่มีอายุแผลฝีอันนั้นเป็นสิบสิบปีเนี่ยนะของที่ไหลเข้าของที่ไหลออกเป็นยังไงของไหลเข้าก็ปฏิกูลใช่ไหมอะไรก็ตามที่ไปแปดเปื้อนกับฝีนี่ปฏิกูลทันทีแล้วของที่ไหลออกเป็นยังไง ก็ปฏิกูลไม่ว่าจะเข้าหรือจะออกก็เหมือนกันกายอันนี้ก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะมันอะไรก็ตามที่เข้ามาในกายนี้นี่ในวิสุทธิมรรคที่เปรียบเทียบใครเจรนาหาเรปฏิกูลสัญญากัพิจารณากระเพาะเนี่ยนะไม่เคยได้รับการล้างมาเท่าอายุมันปฏิกูลขนาดไหนทรานก็อะไรที่อจีนกันออกมาเลยนะทรมานใจมากเลยนะนั้นก็ มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นแผลแผลสดที่ก็อย่างว่านะถ้าไม่มีผิวหนังสัอย่างเดียวเนี่ยนะกายนี่คือแผลทั้งตัวหมดเลยขนาดนั้นผิวหนังบางครั้งก็เป็นริ้วเป็นรอยเนี่ยนะถึงเราจะดูแลขนาดไหนอะไรเยี่ยมขนาดไหนในที่สุดมันก็เป็นอย่างนี้ดูแลเอาใจมากนะวว่างก้อนมะเรงมันค่อยๆงอกขึ้นทีละแห่งทีละแห่งงอกตรงนั้นบ้างงอกตรงนี้บ้างแล้วแต่เข้านึกอย่างงอกใช่ไหมมันก่อนก็โยงเข้ามาเล่าให้ฟังว่าสามีเนี่ย เป็นมะเร็งที่ลำไส้เมื่อสิบปีที่แล้วก็เป็นสิบปีที่แล้วเนี่ยเป็นก็ตัดลำไส้ไปแล้วส่วนหนึ่งทีนี้พอมาอะไรนี่ก็ไปตรวจเมื่อไม่กี่วันเนี่ยก็ไปเจอมะเร็งที่ลำไส้ที่เดิมอีกขนาดตัดไปแล้วนะยังมาเป็นที่เดิมอีกก็หมอก็เสนอทางเลือกให้สองทางถ่ายอุจจาระหน้าท้องอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือฉายแสง ก็เลือกเอาว่าเอาอันไหนก็วันอังคารนี้ไปตอบหมอแนะนําให้เปิดหน้าท้องว่า ง, งั้นก็จะไม่ต้องทายทวารก้อนอีกต่อไปเนี่ยนะก็คิดดูนะขนาดเลี้ยงดูเอาใจดูแลดีเยี่ยมเลยนะมันเชื่อฟังว่าที่ไหนละ่ะไม่ได้เชื่อฟังเลยเนี่ยนะตายอันนี้บางคนเนี่ยตั้งก็เริ่มเป็นมะเร็งตั้งที่หลอดอาหารไล่ไปที่กระเพาะตามลำไส้ต่างๆยมคนหนึ่งก็เป็น ที่เคยมาฟังทมด้วยเนี่ยก็เป็นมะเร็งที่ลำไส้เป็นมะเร็งที่ลำไส้ในที่สุดก็เกิดใหม่ไปนานแล้วแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็พร้อมที่จะเป็นมะเร็งได้เกือบทุกแห่งในกายนี้ตรงไหนบ้างโรคมะเร็งเกิดไม่ได้แล้วก็แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งโรคจริงๆมันถ้าใครยิ่งติดข้องบำรงบำเรอเอาอกเอาใจดูแลเยี่ยมไม่ใช่ว่าจะ กายนี้เขาจะเชื่อฟังอะไรสักเท่าไรเลยนะเขาไม่เชื่อฟังรอกดูอายุมากขึ้นบอกลุกสิมันก็ไม่ค่อยยอมอะนะสดชื่นสิกระปี้กระเป๋าสิมันไม่ค่อยเอาอะนะจะเดินเหินให้คล่องแคล่วสิมันก็ไม่ยอมปวดหัวบอกใจเย็นๆหน่อยนะค่อยๆปวดเธอทำไมปวดแรงจังเบาๆกว่าว น, นี้ได้ไหมเขาก็ไม่ยอมฟังอะไรเลยแตกนี้เดียวเนี่ยนะแล้วก็ในที่สุด ถนอมมากโดยที่มีกายเป็นอารมณ์ตายไปกับการติดกายอันนี้แหละรูมจะเป็นยังไงนะกลายเป็นนางอายเลยนะเกาะตัวเองะนะก็คนที่เขาอายุไม่ยืนนะคนที่ตายทั้งหลายเขาก็คิดเหมือนเรานี่แหละเขาว่าเขาจะไม่ตายหรอกเพราะพูดถึงงานคนงานศพนะมันงานคนอื่นทั้งหมดไม่ใช่งานเราเนี่ยนะนะ น้อยคนนักที่จะคิดว่างานเราเอ๊พวกที่คิดงานเรางานเราไอ้พวกนี้ไม่ค่อยตายสักทีหนึ่งนะเหมือนกับว่าพวกที่บ่นว่ไม่ค่อยอยากอยู่แล้วนะอยากตายเต็มทีแล้วเอ๊พวกนี้อายุยืนนะนะพวกเหมือนโครงการระยะยาวทั้งหลายเนี่ยนะเรียบร้อยไปเยอะแล้วนะก็แต่ละคนนี้ก็คงมีเพื่อนร่วมรุ่นที่ตายให้ดูเป็นว่าเล่นเลยใช่ไหมแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยทั้งรุ่นตัวเนี่ยนะอยู่หรือไปมากกันนะอยู่หรือไปนัของเราก็นับว่าเป็นผู้มีบุญมากเลยนะอายุยืน แต่อย่าลืมว่าในที่สุดนักโทษประหารนนีะ่อยู่ในโลกนี่ใครก็เถอะเป็นนักโลกประหาร น, นักโทษประหารทั้งนั้นก่อนที่จะถูกประหารก็ตัดฉันธราค่าในกายพระอรหันต์กับปุตุชนทั้งหลายต่างกันตรงไหนต่างที่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายทิ้งกายอันนี้แล้วไม่ถือเอากายอันใหม่ก็คือไม่ถือเอาทุกข์อันใหม่ซึ่งต่างจากปุตุชนเนี่ยนะพระอรหันต์ทั้งหลายประดุดว่าคนมีฝีแล้ว่รักษาฝีหายและหายเลย ปุตุชนทั้งหลายเนะี่ยฝีอันนี้แตกฝีใหม่ก็ผุดขึ้นฝีนี้แตกฝีใหม่ก็ผุดขึ้นโรคอันนี้หมดโรคอันนี้เนี่ยพาซะเสียหายโรคใหม่ก็ผุดขึ้นวันก่อนคุณหมอเล่าให้ฟังเ็าบอกว่ามีคนเป็นโรคเ อ, อยู่คนหนึ่งว่า ง, งั้นทุกวันเนี่ยมันจะเปลี่ยนโรคมาเล่าให้หมอฟังทุกวันเลยเนี่ย แล้วก็มีโรคอยู่โรคหนึ่งก็ว่าริดสีดวงในในท่อบางแห่งเนี่ยนะก็ต้องผ่าตัดคือคือโรคอันนี้ควรจะผ่าตัดก็ปรึกษาหมอเป็นเอกด้วยนะหมอก็บอกไม่ควรผ่าตัดโดยประการทั้งปวงหมอก็รักษาสงสารตัวเองเนะถ้าเกิดเย็บไปเย็บแผลเย็บอะไรเข้าแล้วมันบาดมือหมอหมอจะว่าไงกันนี้นนก็บอกว่าไม่สมควรผ่าตัดโดยประการทั้งปวง ก็แล้วก็โรคมันค่อยเปลี่ยนมานะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมีโรคอันใหม่ๆขึ้นมาประจาเลยเนี่ยนะก็ซึ่งคิดว่าอีกไม่นานนะเพราะว่าถูกถูกลงโทษหนักเหลือเกินเนี่ยนะมหาพูดซึ่งถามว่าคนนั้นอ่ะที่ไม่ไม่สบายแบบนั้นเขารักร่างกายไหมเขารักมากเขาดูแลร่างกายไหมดูแลอย่างเยี่ยมเอาใจใส่ร่างกายไหมเอาใจใส่แต่ในวิธีการของเขาเนี่ย เขาดูแลกายเขารักร่างกายในวิธีการของเขาแต่กายก็คือกายวันนังคัมที่พระองค์บอกตรงๆนะว่าสิ as as ่งใดไม่ใ so ช uh, so, ่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละสิ่งนั้นเสียสิ่งนั้นที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละกายเสียกายที่เธอทั้งหลายละแล้วจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขเนี่ยนะก่อนที่มันจะเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะรีบตัดฉันราคาให้เสร็จ เพราะถ้าเยื่อใยในกายเลยโดยที่มีกายเป็นอารมณ์เนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นอย่างชอบมีอยู่ชาดกอยู่เรื่องหนึ่งที่พระโพธิสัตว์เขาเป็นพระราชาเพื่อนของพระโพธิสัตว์นี่บรรลุเป็นพระปจเจกับพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระราชาเนี่ยก็มัวเมาเพลิดเพลินครองราชมีลูกมีอะไรมีความสุขเต็มที่ไปหมดเลย ทีนี้ก็นอนคิดถึงเพื่อนเก่าชื่อว่าโสนะเนี่ยนะพระปจเจกับพรุทธเจ้าชื่อว่าโสนะนี่ก็มาสงเคราะห์มาก็มาชวนให้บวชนะนะีมาชวนให้บวชบําเพ็ญสมณะธรรมพระโพธิสัตว์ก็บอกบวชไม่ได้หรอกเนี่ยนะาอะความติดความข้องในบุตรในภริยาในครอบครัวอะไรเนี่ยมันติดข้องจริงๆเลยเพราะฉะนั้นท่านปโปรดแนะแนวบอกสอนข้อปฏิบัติไหนที่ทําบุญแล้วจะได้ไปสวรรค์เถอะ พระโพธิพระประเจ ก, ก็แนะนำเป็นใจความสรุปว่าจะอุปมาให้ฟั ง, งเหมือนอย่างว่ามีกาตัวหนึ่งไปเห็นศพช้างลอยมาในแม่น้ำคงคาไอกาตัวนี้พอเห็นศพช้างตายอืดลอยน้ำคงคานะบอกได้อาหารแล้วมีเรือใช้ลำใหญ่มากมีอาหารอย่างดีเต็มที่ไปหมดเลย ศพช้างก็ไหลไปเรื่อยถ้าเป็นหน้าฝนหน้านี้ลอยไปเรื่อยจนถึงทะเลอีกาก็มีความสุขไม่ยอมไปที่อื่นนะขอเกาะอยู่ในซากช้างนี่ตลอดไปเพมันเป็นเรือยำยางดีอาหารเต็มเพียบแปร่ไปหมดเลยก็ลอยไปตามกลางน้ําในที่สุดเนี่ยถ้าศบกาศพช้างลอยไปกลางน้ําสักเจ็วันเนี่ยควรจะถึงไหนละถ้าสักสามอาทิตย์ไปแล้วเนี่ยนะคิดว่ากานี่จะบินออกมาได้ไหมในที่สุดเนี่ยนะ อิ ก, กาตัวนั้นก็ต้องจมลงไปในในทะเลตามซากช้างฉันใดผู้ที่ติดข้องในกายนี้ก็ลักษณะเดียวกันรักในกายห่วงในกายทะนุถ น, นอมผูกพันอนายยอมทำบาปทำอกุศลติดขอดด้องในที่สุดก็จมไปในสมุทรคืออบายในที่สุดก็จมไปในสมุทรคืออบายเพราะฉะนั้นยิ่งนึกว่ามันดีในตอนต้นในที่สุดเลยนะไม่มีพิษอะไรจะร้ายแรงกว่านี้อีกแล้ว นันพระองค์ตักด้วยความหวังดีประสงด์ดีบอกว่าจงตัดชันธราคาในตนซะเถอะเนี่ย น, นะเพราะว่ า, าการตัดชันธราคาในตนนั่นแหละเป็นทางแห่งความสุขอย่างแท้จริงส่วนเกี่ยวกับเรื่องการสัมพันธ์บทหน้าบทหลังเนี่ยนะที่กล่าวความสัมพันธ์เนี่ยของธรรมะในหน้า47 48 49ซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วนะส่วนใหญ่ที่พูดเนี่ยทบทวนของเก่าทั้งนั้นเลย มันสัมพันธ์บทหน้าบทหลังที่กล่าวเกี่ยวกับตันหานี่นะก็ยกตันหาใช่ไหมผู้ที่มืดบอดด้วยความรักใคร่ถูกคลุมด้วยตันหาถูกครอบด้วยตันหานี่นะถูกมัดด้วยพันธนาการคือความประมาทก็เหมือนกับปลาที่ถูกดักด้วยใส่ที่ช่องทางน้ําไหล เพราะชนเหล่านั้นไปสู่ชรา ม, มรณะเนืองเนืองเหมือนลูกวัวที่ไม่อดนมติดตามแม่วัวไปฉะนั้นอันนี้ชอบมากเลยคำว่าลูกวัวที่ไม่ยังไม่อดนมเนี่ยนะมันเห็นภาพดิสมัยเด็กๆมนเห็นไอ้ลูกวัวนี่มันวิ่งตามแม่แม่วัวนะไปเพื่อจะดูดนมเนี่ยแม่ก็ไม่ค่อยให้ดูดนะมันก็วิ่งไปแล้วก็ตามติดตามดูดนมอยู่นั่นแหละสัตว์ทั้งหลายที่ ที่ติดข้องรักใคร่ด้วยอำนาจฉันทราคะเมาด้วยอำนาจตันหานี่นะคนเหล่านี้วิ่งไปหาชราและมรณะเนืองๆ น, นี่นะของเรานี่ก็นั่งรอโศกปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาตกันอยู่นะเนี่ยเดี๋ยวฟังธรรมจบออกไปหาชาติชรามรณะต่อนี่นะเพราะว่าถ้าไม่เห็นอริยสัจมันเป็นอย่างนี้นะไม่รู้ว่าใครก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละวิ่งไปหาโสกะปริเทวะทุกขโทมานัตอุปายาตวิ่งไปหาชราและ มรณะไปหาทุกโทมนัสอยู่นั่นแหละเนี่ยนะวิ่งหานั่งก็นั่งรอทุกโทมนัสอีกไหมไปก็ไปหาทุกโทมนัสแต่ว่าหวังว่ามันจะสบายขึ้นจริงๆแล้วสบายขึ้นไหมสมัยเด็กๆนะเราหวังแผนว่าต่อไปเราจะสบายเราจะสบายแล้วสบายดังที่เด็กๆก็ตอนเด็กคิดไหมไหมก็ชักไม่ค่อยเป็นเลยนะแล้วตอนนี้เราคิดข้างหน้าจะสบายจะสบายแล้วเป็นดังนั้นอีกไหมก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละ มันก็ในที่สุดเนี่ยนะผลของความรักใคร่ผลของตัณหาความประมาทก็คือนําไปสู่กองทุกข์แล้วก็ในขณะที่ตัณหาเกิดเนี่ยสำคัญมากคือไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้อัดไม่รู้ทำเลยแม้แต่อย่างเดียวขณะที่ราคาครอบงำเนี่ยนะมันมืดหมดเลยนะอย่างคําสอนในพระไตรปิฎกเนี่ยเราคิดนะพระไตรปิฎกนี่เยอะมากแต่ถ้าราคาเกิดนะั้นลืมหมดเลยจําไม่ได้แม้แต่บทเดียวทั้งๆที่คําสอนในพระไตรปิฎกก็มากมายนะ นึกไม่ออกนะบารมีสิทิ์นี้หายไปหมดเลยผ่ารหันทั้งหลายอาศิติมหาสาวกแปดสิบรูปนึกไม่ออกแม่แต่องค์เดียวพระพุทธเจ้ามีคุณหาประมาณไม่ได้ก็นึกไม่ออกประดุดเหมือนว่าถ้าฝุ่นเข้าตาสัาหนาเคลเนี่ยนะแสงสว่างดวงอาทิตย์จะส่องสว่างปานใดสัตว์ทั้งหลายก็มองไม่เห็นอะไรสักอย่างบันราคะาานี่มันทําให้มืดบอดพระองค์บอกว่าเป็นทุลีในอริยวินัยนี้เนี่ยนะเป็นทุลีที่ทํำไม่ ทำให้ไม่ไม่มีปัญญาจริงๆไม่เห็นเหตุเห็นผลคําว่าเหตุหมายถึงกรรมผลก็คือยกตัวอย่างผลของกรรมแม้แต่อย่างตื่นตั้งแต่เช้ามาเนี่ยใครปรารบกรรมและผลของกรรมสักเท่าไหร่เนี่ยนะเราเห็นว่ามันน้อยเต็มทีที่ปัญญาจะเกิดเนี่ยนะเพราะถูกราคาเป็นต้นเนี่ยฉาบทาไว้หมดทําให้ไม่เห็นกรรมและก็ผลของกรรมซึ่งอันนี้น่าจะเห็นเป็นเบื้องต้นไหมเป็นปัญญาใน ชั้นล่างจริงๆเลยนะกรรมสกตาเนี่ยเพราะถ้ากรรมสกตาไม่ดีเนี่ยนะที่จะออกจากทุกข์ไม่ใช่ฐานะทีนี้ตันหาที่ปกคลุมครอบงาํามุงบังไว้อย่างนี้เนี่ยนะพอมีตันหาตันหาเนี่ยเป็นธรรมะที่ขยายวะตะใช่ไหมเป็นตัวที่ขยายวัตตะตันหาทีนี้วัตตะจะยาวได้ก็อาศัยทิฐิมานะและสังขารมันขยายวัตตะยังไง ตันหามานะทิฏฐิสังขานี่มันขยายวัตะยังไงคือตัญหาทิฐิมานะเนี่ยโดยเฉพาะสังขารคือกรรมตัญหาเป็นต้นเนี่ยพวกนี้บางอย่างก็ให้ผลในทิฏฐธรรมบางอย่างก็ให้ผลเป็นอุปชาวเวทนิยกรรมบางอย่างก็ให้ผลเป็นอัปราปรยะเวทนิยกรรมเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยแม้แต่ตามาพูดหนึ่งคำเนี่ยขยายวะตตนะโดยคำพูดเนี่ยถ้า พ, พิจารณาแบบกรร ม, มสกตาเนี่ย เหตุและผลถ้าไม่พูดอุปนิสัยปัจจัยเนี่ยพูดแบบกรรมมาปัจจัยเนี่ยคําพูดทุกคําเนี่ยให้ผลนําเกิดทุกคําที่เปล่งออกไปออกไปออกไปเนี่ยบางอย่างให้ผลชาตินี้บางบางอย่างให้ผลชาติหน้าบางอย่างให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปเพมันทุกคําที่เปล่งออกไปเนี่ยคือการขยายวตตะนี่ยนะยืดวัตตะไปตลอดเลยถ้าเว้นไว้แต่ว่าปฏิบัติจนแทงตลอดอริยสัจ เออนั่นแหละจึงจะจึงจะเลิกขยายแต่ถ้าธรรมดานะแม้แต่กระทั่งพูดธรรมะก็ตามก็ยังขยายว่าตะถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกโดยเฉพาะเทระคถาหรือเทรีคถาเนี่ยจะเห็นว่าพระอารหันต์บางรูปเนี่ยอดีตชาติท่านเคยกล่าวพระไตรปิฎกลายชาติมากเมื่อเป็นสิบสิบเมื่อเป็น10บกับ20หรือ91กับที่แล้วบางท่านก็เคยกล่าวธรรมะอยู่ในพระพุทธเจ้าองค์ก่อ น, อนในที่สุดก็ ผลอันนั้นก็ทําให้วัตะมายืดออกมาเพราะอะไรเพราะไม่ได้มุ่งไปเพื่อที่จะแทงตลอดอริยสัจเพราะกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยบางอย่างก็ทิฏฐธรรมบางอย่างก็เป็นอุปชาวเวทนียกรรมบางอย่างก็เป็นอปราปรยเวทนียกรรมตัวนี้ขยายวัตะยาวเลยเชื่อไหมที่เรามองเห็นเนี่ยให้ผลสามระยะเจตนานะหลังจากเห็นเนี่ยให้ผลสมระยะได้ยินก็ให้ผล สามระยะหลังจากได้ยินเนี่ยหมายถึงชาวนะที่ไหลมาจากทวารหเนี่ยแม้กระทั่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมพลิกซ้ายพลิกขวาผงกหน้าผงกหลังเปน็นต้นพวกนี้ให้ผล3ระยะหมดนะเนี่ยบางอย่างให้ผลเป็นทิฏฐธรรมบางอย่างให้ผลเป็นอุปชาเวทนิยกรรมบางอย่างให้ผลเป็นอปรยาพร ะ, ะเวทนิยกรรมวันในปุตตสูตรนี่พระองค์ให้อุปมาเหมือนอะไรเจตนากรมรมบุตรสองคนที่จับปลาโยนในหลงฐานเพลิง พันต้องเห็นโทษเจตนาแม้กระทั่งเจตนาที่เป็นบุญเนี่ยนะให้ผลเป็นชราและมรณะนะถึงบุญก็ตามทังเราทั้งหลายที่มานั่งนี่ผลบุญทั้งนั้นนะผลบุญนะนำมาเนี่ยแต่ขณะนี้ก็ยังมีชราและมรณะจะกล่าวไปยายถึงผลบาปทีนี้อาศัยกายอันนี้นะทั้งที่ทําบุญเนี่ยนะทำทำัทำ้งบุญทําทั้งบาปแม้กระทั่งกุศลกรรมบทหรืออกุศลกรรมบทก็ตามบางอย่างก็ที่จะทําบางอย่างก็ อุปชาวเวทนียกรรมบางอย่างก็อภิราปริยะเวทนียกรรมท่านก็ใครถ้ามองในแง่กรรมเนี่ยคิดว่าวัตตะต่อไปจะอยู่อย่างสบายหรือลําบากเนี่ยนะตามกรรมที่ทําไว้ทั้งหมดตลอดชีวิตเนี่ยวัตะควรจะมีความสุขหรือจะลําบากนนก็บักบักเป็นครั้งๆงไปเนาะเป็นพักๆไปบางครั้งก็ลําบากแน่บางครั้งก็สบายแน่นะตอนผลบุญให้ผลก็สบายตอนผลบาปให้ผลก็ ลำบากอันนี้คือกรรมและผลของกรรมมันไหลไปอย่างนี้เพราะกรรมทั้งหลายเป็นตัวที่ขยายวตถะถ้ามองในรูปแบบแบบฟอร์มตามตามกรรมมสกตาเนี่ยนะวันนี้เราใช้วิบากไม่เท่าไรแต่เราทำกรรมมากกว่าทำกรรมมากกว่ารับวิบากนะวิบากคือตัววิบากและกรรมมชโรบเนี่ยในทวิปัญจาหรือ รวังเป็นต้นเนี่ยถ้าเทียบกับชาวนะและชาวนะเกิดมากแล้วชาวนะเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันให้ผลแค่หนึ่งระยะใช่ไหมดวงที่1ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้า2อถึงหให้ผลในชาติที่3เป็นต้นเนี่ยทุกคําพูดที่เปล่งออกมาทุกความคิดสิ่งนั้นจะคิดเป็นโลเป็นไปกับโลภโทสะโมหะก็าตามคิดเป็นกุศลหรืออกุศลก็าตามความคิดเหล่านั้นดวงที่1ให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้า2อถึงหให้ผลใน ชาติที่สามเป็นต้นไปเนี่ยนะแล้วตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ทํามาเท่าไหร่แล้วถอยหลังอดีตชาติไปอดีตชาติไปอดีตชาติไปเนี่ยนะแม้กระทั่งดวงที่สองถึงดวงที่6เมื่อแสนโกดกับที่แล้วก็เขาไม่ลืมเราแล้วจั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะทําอะไรอีกบ้างกรรมเหล่านี้เนี่ยขยายวัฏะตลอดแต่ตัวที่ขยายวัฏะเนี่ยอาศัยอะไรเป็นโซ่เลือเอ่องโซ่ที่เชื่อมกรรมให้มีผลเชื่อมวิบากเนี่ยนะ ให้เกิดขึ้นเชื่อมพบกับพบเป็นต้นอะไรก็ตัณหามานะทิฐิเพราะฉะนั้นที่กล่าวตอนแรกว่านี่นะถ้าติดข้องในร่างกายมากๆแล้วมันดียังไงเพราะตัวนั้นอนะ่ะเป็นตัวที่ขยายวะตะเนี่ยนะซึ่งนํามาซึ่งความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นอย่างมากแต่ถ้าหลงอย่างเดียวนะแปลงไทยๆว่าถ้างโง่อย่างเดียวนี้จบเลยนะวตะยาวอย่างเดียวไม่รู้จะแก้ยังไงไม่รู้จะออกอยังไงเพราะไม่มีทางหรือแล้ว เราเราถ้าเราเข้าใจในเรื่องว่ากายกรรมหนึ่งคำที่พูดออกไปเนี่ยขยายวัตตะวัจีกรรมที่เปล่งออกไปกายกรรมที่ขยับตัวเป็นต้นเนี่ยพวกนี้เป็นตัวที่ขยายวะตะจะดับวะตตได้ยังไงถ้าไม่นึกถึงฉะฉกะสูตรไม่ถึงนึกถึงโลกานิโรธสูตรไม่นึกถึงอาทิตะปริยัยสูตรไม่นึกถึงหน้าตมหาตุกะสูตรเป็นต้นเนี่ยไม่มีทางออกหรอกเชื่อทางออกไม่มีโดยประการอื่น เพาวตตาทั้งหลายเนี่ยมันมีแต่ขยายอยู่นั่นขยายอยู่นั่นมันเหมือนอะไรเหมือนแกงว่าอยู่ในประเทศที่เราอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าเติรนเช้ามาต้องไปกู้่ะนะเติรนเช้ามาขอกู้พันล้านแล้วก็ดอกเบีย้ยเนี่ยบานไปหมด น, น, นะมันบานไม่มีโรยเลยนะัไม่มีหุบด้วยบานขึ้นทุกวันทุกวันโตขึ้นทุกวันมีสิทธิ์หาทุนไปใช้ได้วันละ5บาทหบาท แล้วก็กู้ทุกวันวันละพันล้านวันละพันล้านแล้วก็งานก็โหดเหีเ้ยมมากเลยถูกเคียนถูกตีถูกโบยเป็นต้นเนี่ยนะถามว่าเมื่อไหร่เราจะใช้หนี้กันหมดกู้ตือนเช้ามามาขอกู้แล้วเป็นพันพันล้านลเลยแล้วก็ส่งดอกห้าบาทนายเขาก็เคียนเอาตีเอาโบยเอาให้ทั้งดิ้นทั้งเล่าร้อนเนย่านั่นแหละถามว่าไอ้กู้มาทําอะไรกู้ไปติดยากู้ไปเสพยาเนี่ยนะ แล้วก็ทำอยู่อย่างนี้เนี่ยตลอดมาเนี่ยถามว่าวิธีแก้เนี่ยทํำยังไงถ้าเป็นเราเนี่ยนะอยู่ในวัฏจักรอันนั้นเนี่ยวิธีแก้เนี่ยทำยังไงถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแนะนํานะบอกว่าออกเถอะอย่าไปอยู่เลยไอ้หมู่บ้านนั้นมันเสียหายมากไอ้วงชร น, นั้นมันอับประรักมากออกเถอะเนี่ยนะนี่ยเราจะบอกให้นะวิธีออกเขาออกกันอย่างนี้นะหนีเถอะถ้าแกไม่หนีก็เดือดร้อนแน่ดูสิ วงจรว่าตานี่เห็นไหมนั่น่ะถูกเครียดแล้วนี่ก็ถูกตีแล้วคนนั้นก็กำลังกู้เรื่องใหญ่โตไปหมดเลยคนะนี้กำลังมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นออกเถอะว่าตาในภูมิสามนี่เขาเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าใครไม่ออกเดือดร้อนแน่เนี่ยนถ้าไม่ออกนะว่าตาเนี่ยเดือดร้อนแน่ขอก็คนที่ในโลกนี้คนที่มีความสุขกับมีความทุกข์ไหนมากกว่ากันเนี่ย น, นะคนมีที่มีความทุกข์นี่มากกว่ากัน คนที่นั่งสบายใจ ย, ยิ้มกับคนที่หน้าบึ้งทั้งวันเยไหนมากกว่านะนะกันน่ก็วิธีของผู้การก็บอกให้ดูร้านอาหารก็ว่างั้นนะนะนะการเขาก็มีนิมิตอะไรที่ให้มนัสการได้สังเวกับวัตถุ ด, ดีเหมือนกันนันะนะขายดีนะบึง่งเองนะคือโดยรวมๆแล้วนะว่า ทุกมากกว่าสุขอะเรื่องเดียวกันเนี่ยในเรื่องเดียวเนี่ยนะได้รับความสบายใจจากสิ่งนั้นเนี่ยไม่มากนักหรอกได้รับความทุกโธมนัดจากสิ่งนั้นเนี่ยมากกว่าอย่างโดยที่สุดแม้กระทั่งพวกนักร้องเลยนีคนฟังเพลงเนี่ยมีความสุขนะแต่นักร้องจริงๆมันเดือดร้อนมากมันทรมานมากมันทุกมากเลยนะคนที่ร้องเพลงนั้นจริงๆริะนีไม่ได้มีความสุขอะไรหรอกเนี่ยนะแต่ว่าคนที่ฟังว่างๆก็มาฟังสักครั้งหนึ่งก็เลยเหนือนว่ามันสบายใช่ไหม แต่ว่าเจ้าของเนี่ยอย่างนี่นักร้องดังๆในอดีตทั้งหลายแหลลูกทุ่งเนี่ยเดือดร้อนกันทั้งนั้นเลยเห็นไหมทุกวันนี้ก็เคราเครียดกันทั้งนั้นส่วนใหญ่เว้นไว้แต่ฟังธรรมท่านั้นแหละนะที่ยังจะพอมีความ ส, สุขสุขทั้งปัจจุบันแล้วก็สุขในภายต่อไปแต่การฟังทั้งหลายก็ตั้งอัธยาศัยเพื่อดังที่กล่าวว่าเพื่อออกนะฟังเพื่อออกไม่ได้ฟังเพื่อเพื่อจะอยู่อะไรเพราะนั้นการออกนี่เป็นทางที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นที่พระองค์ตรัสว่าจงออกเธอเนี่ยนะเราทั้งหลายพ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของมนุษย์พ้นแล้วจากบ่วงอันเป็นของทิพย์เนี่ยนะอันนั้นแหละคือทางออกแต่ถ้าเราไม่พ้นจากบ่วงเนี่ยนะมันก็เหมือนกับโคที่เขาจูงไปสู่แดนอ่ะ น, นะแดนประหารเนี่ยนะโคที่เขาจูงไปสู่สมัยนี้เขาไม่จูงแล้วโยมมันโบราณแล้วจูงอ่ะสมัยนี้นะเขาขนเป็นสายรถเลยเคยสังเกตไหมบนรถเนี่ยนะเห็น เอมอบางวันนี่เห็น1นะกว่าตัวเนี่ยนะอออัดยัดเยียดอยู่บนรถนี่นแหละเตรียมถูกเอาไปต๊ะไปเชือดเนี่ยนะแล้วก็ไม่นานก็มีเนื้อมาแขวนไว้ตามเช่นปากทางเข้ามาก็เห็นนะลืมตาดูก็จะเห็นก็อาศัยตัวเนี่ยตันหาทิฏฐิมานะเนี่ยตัวที่ขยายวัตถธรรมะที่ ที่เชื่อมโยงกันสัมพันธ์กันโดยเนื้อหาแนวเดียวกันในหน้า49นับขึ้นบรรทัดที่6เนี่ยนะที่ตั้งแต่บรรทัดที่7ก็ว่าคำของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้ย่อมสมควรกับคำหน้าและคำหลังธรรมะที่ขยายวะัตตะให้ยืดยาวธรรมะที่ปรุงแต่งทั้งหลายและความยินดีรูปทั้งที่อดีตอนาคตปัจจุบันนี้อันเดียวกัน คือโดยอัฏฐานนี้คือสิ่งเดียวกันนะอย่างเช่นบุคคลที่เพลดิดเพลินในยินดีในรูปที่เป็นอดีตยินดีในรูปที่เป็นอนาคตติดข้องในรูปที่เป็นปัจจุบันเนี่ยกับตัวที่ขยายวัตะกรรมที่ปรุงแต่งทั้งหลายสิ่งนี้คือสิ่งเดียวกันทั้งหมดพระวิชาตันหากรรมพวกนี้มันเชื่อมโยงเพื่อให้มีให้ยาวอย่างเดียวอะ น, นะยาวโดยที่สุดแม้แต่กายกรรมเมจีกกรรมมโนกรรม อวิชาเป็นปัจจัยจึงมีปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารและอเนชาพิสังขารสังขารก็นําไปสู่ภพสามกำเนิดสี่กติห้าวิญญาณทิติเจ็สัตตวาสเกเนี่ยนะสังขารก็นําเกิดในภพต่างๆเพราะฉะนั้นวัตตาทั้งหลายก็โครจรไหลไปอย่างนี้โดยที่ไม่มีไม่มีจบมีสิ้นเนี่ยนะถ้งใครมีวิธีที่เรียกว่าไปเรื่อยๆแล้วบรรลุเองอันนี้ก็ไม่ใช่ฐานนะเนี่ยนะ มันถ้าศึกษากฎเกณฑ์ของวัตตะจนเข้าใจเนี่ยถ้าไม่เจริญตามพระพุทธเจ้าไม่มีทางออกจริงๆพอมาไม่เชื่อเลยในตอนหลังยิ่งศึกษาเหตุผลเข้าใจแล้วว่าใครรู้จักทางลับเนี่ยนอกจากที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่เชื่อโดยประการทั้งปวงมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยนะใครจะรู้ทางลับลับที่สุดที่จะนําให้ไปสู่อมาตะได้เนี่ยไม่มีก็บอกว่าลับที่สุดนะตัดตัณหาเสถะนั่นลับที่สุด แต่ถามว่าตัดง่ายหรือตัดยากอา่ะตัดยากนะในบรรดาสิ่งที่สมมุตินะว่าถ้าตัดตัณหาตัดที่ไหนท่านบอกว่าให้ตัดในปิยรูปสาตรูปที่ไหน ท, ที่ใดเป็นที่รักเป็นที่พอใจในโลกตัณหาเมื่อจะเกิดเกิดที่นั่นถ้าบุคคลจะละตัณหาก็ต้องละที่นั่นคิดยังไงจริงกันเลิกรักตาเนี่ยเออเนี่ยเลิกเลิกรักการเห็นสักทีหนึ่งเลิกรักการได้ยินเลิกรักร่างกายเลิกรักความนึกคิดเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ย ทำยังไงกิงก็เลิกได้ความรู้ไม่พอตัดไม่ได้หรอกห่วงน้ํานี่เนี่ยห่วงน้ําที่ใหญ่โตเนี่ยห่วงน้ําคือตันหาเนี่ยไม่มีแรงจริงๆริงไหว้ข้ามไม่ได้หรอกนี่นี่จมอย่างเดียวก็จมแล้วก็ถามว่าสัตว์บกกสัตว์ตวน้ําไหนมากกว่ากันมัน <c oughs> จมจริงๆเลยนะนั่นนะอันนี้นไม่ได้ขู่นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่แน่นะเราบุญบางอย่างมันให้ผลไปเกิดเป็นชาวประมงเจ้าของเรือเลยนะเปกลากรออกมา ก็ไม่รู้ทำกรรมอะไรกันนักกันนา ะ, ะสัตว์ทั้งหลายอยู่ในวัฏะมันก็เปลี่ยนกันทํากรรมบ้างถูกเขาลากบ้างเราไปลากเขามาบ้างฆ่าเขาบ้างถูกเขาฆ่าบ้างนะก็อยู่กันอย่างนี้แหละ mm hmm. แย่งชิงนะว่าโดยรวมๆนะผู้ที่อยู่ในวัฏะเนี่ยศึกชิงมหาพูดทางนั้นเลยแย่งมหาพูดสแสวงหามหาพูดติดข้องในมหาพูดโดยรวมๆนะติดข้องในรูปประคันเพราะรูปประคันเนี่ยรูปประคันเนี่ยเป็นเพชฌฆาตใช่ไหม รูปประคันเนี่ยเป็นผู้ฆ่าซึ่งกันและกันในขณะเดียวกันใครที่ไปติดข้องในรูปประคันก็ก็อยู่ในโลกแห่งการเข็นการข้าเนี่ยนยะมันก็มีฆ่าแบบปานาธิบาตด้วยแล้วก็ถึงไม่ทำปานาธิบาตขันทั้งหลายก็ก็แตกทำลายเสียหายไปบางคนก็บอกว่าถึงไม่ฆ่ามันยังตายเลยเนะสมมติว่าคนในโลกนี้ถึงเราไม่ฆ่าเขาเขาจะตายไหม ใช่เนี่ยนะขนาดบางคนหมอเขาพยายามจะช่วยไม่ให้ตายมากเลยนะก็หมอก็ยังช่วยไม่ได้เพราะหมอเองก็ยังไม่พ้นเลยสรุปทั้งหมดที่เรียกว่าการสัมพันธ์บทหน้าบทหลังเนี่ยนะว่าจะกล่าวโดยว่าตัณหาก็ตามทิฏฐิมานะที่เรียกว่าธรรมที่ขยายวะตะัตกรรมที่ปรุงแต่ง ความยินดีในขันที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็ตามเนี่ยโดยเนื้อหาก็เหมือนกันสัมพันธ์กันเนี่ยนะเชื่อมโยงกันอย่างนี้คำสอนเชื่อมโยงสัมพันธ์กันโดยตลอดทั้งเมื่อใดก็ตามคาสอนจะต้องเป็นไปตามแนวนี้ว่าวัตตะเป็นไปอย่างนี้ถ้าจะออกจากวัตตะปฏิบัติเช่นนี้เช่นนี้ข้อออกปฏิบัติออกจากวัตตะเนี่ยนะในหน้า49ย่อหน้ากลางๆเนี่ยนะกลางล่างๆอ่ะกล่าวที่ว่า ดูก่อนราธะเธอจงเป็นผู้ไม่เพ่งเล็งรูปรูปประคันนะไม่ใช่รูปารมณ์รูปที่เป็นอดีตยายินดีรูปที่เป็นอนาคตจงปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความดับเพื่อพ้นรูปที่เป็นปัจจุบันนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันไม่เพ่งเล็งด้วยอำนาจตัณหามาณน a ะทิฏฐิในขันห้าที่เป็นอดีต อย่ายินดีในขันคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นอนาคตขันที่เป็นปัจจุบันทั้งหมดนี้ก็จงปฏิบัติเพื่อเบื่อน่ายคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความพ้นสักทีก็ซึ่งซึ่งจริงๆแล้วสัตว์ทั้งหลายโดยปกตินะเวลาเจอหน้ากันนี่เจอเพื่อนเก่าคุยอะไรก็กเพลิดเพลินในอดีต ท, ทุกการได้เลี้ยงรุ่นนี้คุยอะไรกันนะ คุยเรื่องเก่าซะส่วนใหญ่เลยนะใครที่เจอเพื่อนเก่าคุยเรื่องเก่าซะส่วนใหญ่นะแต่เว้นไว้แต่ถ้าทาธุรกิจร่วมกันก็คุยเรื่องอนาคตส่วนใหญ่แต่ว่ามันก็มีสองอย่างเนี่ยถ้าเจอหน้าใครไม่คุยเรื่องอดีตก็เรื่องอนาคต